แต่แล้วเราก็ไปนินทาเขากลับที่ทําโดยไม่รู้ตัวนะนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่าพอไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยความกรัวมันขึ้นขึ้นมาในใจเราไม่รู้เราก็เลยเป็นท่าของความโกรวัวปล่อยให้ความโกรัวนี่มันพาเราไปความโกรธมันชวนให้เราอยากด่าเราก็ด่าไปความเกลียดมันชวนให้เราแกล้งเขาหรือว่าตอบโต้เขา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 ทำอย่างนั้นกับเราเขามาว่าเราเขาจะมามุ่งร้ายกับเราทําไมเราไม่หัวเราะเหมือนกับที่เราหัวเลาะเด็กมั่งถ้าทําอย่างนั้นได้ก็ดีเหมือนกันนะมันก็เมื่อนคนบ้าเวลาคนบ้ามาว่าเราแล้วเราก็หัวเราะได้แต่ทําไมคนอื่นมาว่าเราทําไมเราไม่หัวเราะอย่างนั้นบ้างเพราะว่าทั้งๆที่เขาเองก็อาจจะบ้าเหมือนกัน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 เรานัดไขไ้บ้างเราลึกได้ในเรื่องที่เป็นอนาคตแต่เรื่องที่เป็นปัจจุบันนะเราลึกไม่ค่อยได้นะทำอะไรไปขณะนี้กาลังนั่งอยู่นี้เดี๋ยวใจมันไปแล้วใจมันลอยไปแล้วมันไปอดีตบ้างไปอนาคตต้องกว่าวจะระลึกได้ในเรื่องปัจจุบันว่ากาลังนั่งอยู่กาลังฟังอยู่บางทีคิดไปไม่รู้กี่เรื่องแล้ว